ถามคุณดังตรินมีความเห็นอย่างไรกับการมีเมียหลายหลายคนตอบค่านิยมผัวเดียวเมียเดียวเป็นเส้นทางกรรมของคนที่จะพบรักแท้มีความสุขอันควรกับอัตภาพถูกคลองคองทมไม่ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บช้ำน้ำใจ ผลักให้ห่างจากการผิดศีลข้อสามหรืออีกนายหนึ่งปิดประตูอบายได้หนึ่งบานส่วนค่านิยมหลายเมียเส้นทางกรรมจะเป็นตรงข้ามครับ